เจริญพรทุกคนนะพอได้ยินนะตั้งใจความรักันนะเสียงมันมีประมาณนี้แหละก็อนุโมทนานทุกท่านนะที่มาฟังธรรมแล้วก็ราจะได้ปฏิบัติธรรมด้วยนะมันก็จะได้เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะได้พุ่งจิต ฝึกใจของเราเองนะถ้าเราไม่ฝึกจิตฝึกใจของเราเองมันจะยากที่จิตใจมันจะดีของมันเองครูบัญเจาจะเปรียบเหมือนว่าจิตใจเรานะเปรียบเหมือนกับแม่น้ํำหรือกระแสน้ําก็ได้นะน้ำก็ย่อมไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ําจากยอดเขาต้นน้ําไหลลงสู่มหาสมุทรก็คือจาก ที่สูงๆลงสู่ที่ต่ำจิตของคุตุชนทั่วๆไปกรดีก็จะไต่ลงสู่ที่ต่ำเช่นนั้นะก็คือจิตที่สูงก็คือจิตที่สะอาดสัว่างหรือว่าสมกหรือว่าเป็นจิตที่ไม่ทุกข์ส่วนจิตที่ต่ำก็คือจิตที่เรียกว่าโสตโปกสศ ร, ร้า ม, มองหรือว่าจิตที่ทุกข์ก็ได้อันนี้คือเปขี่ยเทเียมง่ายๆผู้ชมชอบเขี่ยเหมือนว่านัทจิตของ ผู้ตุ่นทั่วไปเนี่ยถ้าไม่ฝึกนะมันจะต่ำลงเรื่อยๆนะต่ําไปสูเกลือกขั้ว ส, สิิดสกปรกหรือว่าไม่สะอาดหรือว่ามีความทุกข์มากขึ้นเป็นของเกา่าแต่ถ้าเราฝึกจิตใจบางทีมันเหมือนคล้ายๆเราทวนกระแสนะจากบางทีอย่า ง, างปลาหลายชนิดนะเวลาเขาที่จะวางไข่นะก็ต้องควนกระแสนะ้นขึ้นไปวางไข่บนบริเวณ ตามน้าหรือว่าบริเวณที่น้ํามันสะอาดแม้ในชีวิตเขาอจะอยู่ตรงน้ํำนิ่งๆน้ําที่มันอาจจะไม่ค่อยสะอาดนะแต่พอเวลาเขาจะไปวางไข่เขาจะสืบต่อสายพันธุ์ของเขาเขาก็ต้องดิ้นนนไปหาที่ที่สะอาด น, นี่จิตใจของเราก็เหมือนกั น, นจิตใจบางครั้งมันก็มีความสกครกมันมีความเศร้าหมองอยู่แต่ถ้าเราคิดที่จะพัฒนาจิตให้มันสะอาดขึ้นเราก็ต้องเรียว่า รู้จักทวนกระแสกิเลสกระแสกิเลสเนี่ยมันเป็นกระแสที่เราอย่าคิดนะว่ากิเลสมันอยู่ที่วัตถุภายนอกสังคมเมืองคือสังคมกิเลสนะหรือว่าสังคมที่เต็มด้วยการแข่งขันวัตถุนิยมในทางเป็นเป็นสิ่งที่เป็นกิเลสมันก็เป็นเพียงแค่กิเลสภายนอกอดียวนะแต่จริงกิเลสมันบางคนอยู่ในเมืองแต่จิตใจไม่ติดข้องกับวัตถุ นิมยมก็มีนะแต่บางคนอยู่ในชนบทอยู่ในอยู่กับธรรมชาติแต่จิตใจมีแต่ควา ม, มอยากความหิโหยกับวัตถุสิ่งของก็มีดังนั้นจะอยู่ในสังคมใดก็ไม่ใช่ว่าเราจะต้องมันก็ไม่ไม่ค่อยสำคัญเท่าไหร่หรอกนะแต่มันก็มีผลสือเนื่องอยู่บ้าง น, นะแต่ถ้าเราแตจริงถ้าเราปึก ด, ดีๆเราจะเห็นว่าที่จริงกิเลสมันไม่ได้อยู่ที่ว่ า, ามี ในเงินกรุงเทพมันมีสิ่งที่รุนบายมันมีสิ่งที่ยัวยว่วยวนจิตใจเรามากนะแต่ถ้าเราฝึกดีแล้วหรือว่าเราเป็นผู้ที่กำลังตั้งใจสุดอยู่เราก็จะเห็นว่าที่จริงตีงตามนี้นมันดีในแง่เราได้มานิรสอบเือว่าเรามีความเข้มแข็งพอไหมนะเรามีสติรู้ทันตัวเองมากไหมที่จริงพวกนี้นเหมือนกับการบ้านเวลา เราเป็นเด็กน้อยเวลาครูให้การบ้านเนี่ยบางทีเราสึกเราถ้าบันไหนการบ้านน้อยเราเรสึกชอบบันไหนการบ้านเยอะหีิรู้สึกว่าเหนื่อยหรือไม่ชอบแต่สังเกตไหมพอเวลาเราไปต้องไปสอบแข่งขันหรือเวลาเราต้องสอบเรียนต่อในระดับไหนก็นแล้วแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรก็ต้องทําโจทย์เยอะๆนะต้องเอาอยางเป็นท้าเนี่ต้องเอาข้อสอบสิบปีเนี่ยมารูทุกข้อเลยทุกวิชา หรือมากกว่านั้นอีกมาเก่งข้อสอบอีกข้ออะไรพอเวลาเราทําโจทย์มากขึ้นเราเกิดความชำนาญมากขึ้นนะเรามีข้อสอบของมาในปีนั้นที่เราสอบแล้วก็พอจะมีแนวทางเพราะเราเคยทํามาบ้างแล้วหรือว่าบางข้อก็ตรงเท็จกันเลยก็มีใช่ไหมอันนี้โจทย์ของจิตใจของเราก็เป็นเช่นเดียวกันนะเนเวลาเรามีในทดสอบเนี่ยให้ถือว่าเป็นเหมือนการบ้านนะ แย่ถือว่าให้เป็นอุปสรรคนแต่ถ้าเราเห็นว่าอันนี้ก็รุ่นายอันนี้ก็ไม่ดีอันนี้ก็แบบเจอแต่คนไม่ดีเจอแต่สิ่งที่ทําให้เรียกว่ายุ่งเจอแต่สิ่งที่ทำใเครียดถ้าถ้าเรามองเช่นนั้นนะพวกนั้นจะเป็นอุปสรรคไม่ใช่บททดสอบแต่ถ้าเราเห็นว่าอ๋ดีมีบททดสอบว่ามีงานมาให้ทําบ้างมีการบ้านมาให้เราได้รับสติปัญญาบ้างนั่น เราจะมองมันเป็นคล้ายๆเป็นครูที่สอนธรรมะเราเป็นบทเรียนหนึ่งที่เราจะได้เรียนรู้กับมันนะแต่ถ้าเราไม่มองเช่นนั้นเนาะเราก็จะมองแบบเหมือนปิดกั้นปิดกั้นแล้วเราก็จะมีเรียนรู้แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ชอบไม่ชอบนะแต่ถ้าเราเรียนรู้มันนะเราจะสามารถเรียกว่าได้ประโยชน์จากมันเยอะเลยได้ประโยชน์จากสิ่งที่เรียกว่าเป็นตัวทดสอบนะเยอะเลย กนะารฝึกสตินะการฝึกสตินี่มันจะอาศัยสิ่งกระทบต่างๆทางตาบ้างหูบ้างจมูกลิ้นหรือว่ากายหรือว่าใจนี่แหละจะเป็นตัวทดสอบว่าเรามีสติขนาดไหนนะสตินี่จะเป็นตัวที่คอยรู้ทันเวลาคือคนเราปกติเนี่ยนะมันจะมีเรียกว่าทาวารทั้งหกหกทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วก็ใจ เป็นทวารที่เราเป็นคอยรับรู้หรือว่าเป็นช่องทางที่สิ่งภายนอกจะเข้ามาสู่ภายในของเราเองอันนี้แหละคือเป็นช่องทางมันเป็นประตูก็ได้นะเหมือนประตูเนี่ะจะเข้าก็ได้จะออกก็ไดนะ้ตอนนี้ก็เหมือนกันเป็นประตูที่คอยรับรู้เรามีสติเพื่อคล้ายๆเราเป็นนายประตูนะหรือว่าถ้าเปลี่ยนเหมือนสถานที่คล้ายๆเหมือนเหมือนเป็นยาวนะ คนดูแลคนเข้าคนออกก็จะเห็นนะก็จะเห็นถ้าเรามีสติเราจะเห็นว่าอา๋ออะไรเข้ามากระทบทางตางเข้าไปสื่ใจด้วยถแบบไหนมันออกไปหรือว่าใจเราออกไปหาอารมณ์ใจเราออกไปดูกระมันเราก็จะเห็นสตินี่จะทำหน้าที่เหมือนกันกบยางที่คอยเฝ้าถ้าตึกไหนไม่มียางนี่อาจจะเกิดขโมยได้ง่ายใช่ไหมมีคนมาขโมย อ, อันนี้ก็เหมือนกัน จิตใจของเราถ้าไม่มียามคอยรักษาจิตใจนะกิเลสมันจะเข้ามาเรียกว่าบ่อยมากนะกิเลสจะเข้ามาบ่อยมากนะจนทั้งจิตใจเกิดความฟุ้จิตใจเกิดความหลงขึ้นไปเนะี่ยสติจะทําหน้าที่เหมือนกับยามที่คอยเฝ้าจิตใจของเรานาะให้เรียกว่ามีความรู้ว่าอันนี้มีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วพอมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาแล้วมันจะทําหน้าที่เรียกว่า ไม่แค่แค่คอยเฝ้าเท่านั้นแต่มันก็เป็นคนที่เรียกว่ารกรองกรองด้วยครับเออถ้าความคิดที่เกิดขึ้นมามันเป็นความคิดที่นํามาสร่งความทุกนํามาสร่งความหลงถ้สติก็จะเป็นตัวคอยกรองว่าเออความคิดเช่นนี้ไม่ทําตามมันออไม่ใช่เป็นการคิดกรองนะแต่มันเป็นการเรียกว่ารบรรลักษของมันเองมันต่างจากการที่เราเออแต่นี่คิดไม่ดีไม่อยากคิด อันนี้มัโกรธไม่อยากโกรธอันนี้คือคิดตอนคิดมันต่างกันนะแต่การที่สติพอรู้ทันแมันจะมันจะกลองของมันเองมันจะเปลี่ยนของมันเองนี่มันเป็นอัตโนมัติมันเป็นอัตโนมัติของมันอันนี้คือสติจะทําหน้าที่คอยตัดนะเหือนกับเส้นติคัตเวลาไฟมันไหม้หรือว่าไฟมันช็อตนะมันก็ตัดตรงทันทีมันไม่ต้องมีคนเปิดสับอ่าจะบิดตรงนะมันก็ตัดของมันเอง จิตที่มีสติก็เช่นเดียวกันพอเวลาเกิดความทุกข์เกิดกิเลสเกิดขึ้นกับจิตใจนะมันต้องจะละเอาเองเนี่ยอันนี้คือติ่งที่เราฝึกนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกนะเพียงแค่อ่านหนังสือก็ดีหรือแค่ฟังธรรมก็ดีหรือแค่พอคิดตามหลักนี้ได้ก็ดีนะบางทีเราจะรู้สึกว่าเราก็รู้เยอะนะเราก็รู้เยอะเราก็เข้าใจเยอะธรรมะเรา ก, ก็อ่านมาเยอะแเราก็ฟังมาพอสมควร แล้วก็คิดตามหลักเหตุผลตางปางได้แต่พอมันเจอทุกข์จริงจริงในบางทีมันเอามาใช้ไม่ได้นะมันไม่เหมือนกับเวลาเรานะจะทำงานบางอย่างเนาะเราไม่เข้าใจเราขอเวลาไปเปคนความเพิ่มเติมขอเวลาไปปรึกษาผู้รู้ขอเวลาไปทบทวนก่อนงานภา ย, ภายนอกบางทีมันทำเช่นนั้นได้แต่งานของิตใจเนี่ยมันทุกข์มันสมมดมันโดนคำพูด โดนคนนินทาโดนคนเข้าใจผิดว่าร้ายมาจิตนี่มันเรียกว่าทําไมเขาถึงว่าเราทําไมเขาถึงไม่เข้าใจเราทำไมเราทําดีแล้วทาไมยังมีคนอมาตำหนิเราด้วยมันจะมีคําว่าทําไมมาคอยทําร้ายจิตใจของเราเองที่จริงคำว่าคําถามคำว่าทําไมเนี่ยมันจะมาคอยทําร้ายจิตใจของเรานะแต่ถ้าเราเปลี่ยนมุมบ้างนะ เราจะทำอย่างไรนะเราจะทำอย่างไรจิตใจเราถึงจะไม่ทุกข์นะเช่นเวลามีคนมาตำหนิแทนที่จะถามว่าทำไมเขาถึงมาตาหนเาิเราเราสามารถถามตัวเองดีกว่าว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ไปรับคำตำหนะินั้นมาเป็นตัวเราหรือว่ามันเป็นความทุกข์ในใจนะถ้าเราเนะี่ยมันจะเป็นวิธีที่เรียกว่ามันมองต่าง ม, มุมไปนะเหมือนบางคนมขาจะถามนะ แเราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมไอคนที่ถามเนี่ยเหมือนคล้ายๆกําลังจะฆ่าตัวตายนะนักด่านจิตคิดสั้นนะถามว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปทําไมนะแต่ถ้าเราถามตัวเองว่าเราจะมีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรเนี่ยมันจะทําให้เราหาเป้าหมายของชีวิตของเราเองแล้วก็เราจะมีมีหาวิธีการที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนะั้นดังนั้นการปฏิบัติธรรมก็คล้ายๆนั้นอะไรจะเกิดขึ้นกับการหับใจนี้นะ ไม่ต้องไปเปยเที้ยวาถามว่าทําไมมันถึงเกิดขึ้นเราแค่ยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วในกายในใจนี้แหละนะแค่ยอมรับมันไปก่อนแล้วคราวนี้ถ้าจะถามก็จะถามว่าทําอย่างไรเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันถึงจะมีทุกข์เช่นบางคนไปหาหมอหมอบอกว่าเป็นโรคมะเรง็งหมอบอกว่าเป็นโรคไตเป็นโรคตับนะคนส่วนใหญ่ก็มัดจะทุกข์ทันที ตอนไม่รู้เนีไม่ค่ยทุกข์เท่าไหร่นะก็แต่พอรู้แล้วกับสุดมากกับเกา่าว่าอะไรเพราะที่จริงกายมันก็ทุกข์เข้าเดิมมาแหละมันก็เป็นโรคอยู่ของมันอยู่แล้วแต่พอใจไม่ยอมรับใจปฏิสเสธใจมันต่อต้านว่าทําไมต้องเจอกับฉันด้วยทําไมเราต้องเป็นโรคนี้ด้วยทําไมเราต้องอใกล้จะตายแล้ด้วยพอเราถามก็ทําไมจิตใจมันทุกข์ตามไป ด, ด้วยแต่พอ เรายอมรับความจริงเช่นสมมติเราป่วยเราเจ็บเราใกล้จะตายเรายอมรับความจริงแล้วคราวนี้เรามีแต่ว่าแล้วเราจะทําอย่างไรล่ะจะอยู่กับมะเร็งได้ทำอย่างไรล่ะเราจะอยู่กับความเช่าได้ทำอย่างไรอะ่ะเราจะอยู่กับโลกไตโลกตอดได้นะพอเราถามเช่นนี้นะอย่างน้อยเราจะหาวิธีที่จะรักษากายที่มันเรียกว่ามีสุขภาพ พออยู่ได้หรือว่าอาจจะดีขึ้นก็นได้แต่สิ่งที่สําคัญอีกอย่างคือเราจะรักษาใจของเราเลยว่าเออไอ้ที่มันป่วยไอ้ที่มันทุกนะข์นั้นก็เป็นเรื่องของกายนะแต่เรื่องของใจเนี่ยเรามีสิทธิที่จะไม่ทุกข์ได้แน่นอนนะเราจะมีสติคอยแยกเลยว่าไอ้นัน้นเป็นเรื่องของกายกายเนี่ยไม่มีใครมีผนแม้แต่นคนไม่เป็นมะเร็งเขาก็ตายนะแม้แต่นคนที่ไม่แก่บางทีเขาก็ตาย แม้แต่คนที่เขาไม่เจ็บหนักบางทีเขาก็ตายได้ถ้าของเราคอยหมั่นพิจารณาดูสังขารก็คือร่างกายอยู่เสมอ น, นะเราจะยอมรับความจริงของกายได้ได้ไม่ยากหรอกเพราะว่ากายนี่มันสแสดงอยู่ตลอดเวลาเนาะตั้งแต่ตั้งแต่เราเป็นเด็กจนกระทั่งถึงตอนเนี้ยมันสแสดงความเปลี่ยนแปลงให้เราเห็นพอเราไปดูรูปตอนที่เราเป็นเด็กกับตอนที่เรา เป็นหนุ่มสาวกับตอนที่เราทํางานเป็นถึงตอนนี้บางคนก็ตัดเยียนแล้วแก่แล้วมันจะแตกต่างกันเยอะเลยเนาะให้ความเป็นเราเนี่ยมันไม่นคงที่ดูนานๆนนจะเห็นชัดแต่จริงมันก็เปลี่ยนทุกวันนั่นแหละนะต้องสังเกตก็ได้ตั้งแต่ตื่นเช้าขึ้นมาหน้าตาเราเป็นแบบไหนนะล้างหน้าแปรงฟ า, านตาแป้งอาบ น, าน้ำแล้วมก็ดีขึ้นแต่ตอนเย็นมันก็เหี่ยวกลับไปเหมือนเดิมนะมนก็ธรรมดานะนะ กายมันก็เป็นเช่นนี้นะมันเปลี่ยนแปลงอยูต่ตลอดเวลานะจิตใจนี่สิยิ่งเปลี่ยนแปลงเ ร, เ, รเร็วกว่าร่างกายอีกนะเราสังเกตแม้แต่รางวันบางทีเนะีนะ่ยเราเหมือนกับรูปตุกตารที่มันเรียกว่าโผล่พันในแต่ละวัน่ยหลายรอบมากนะเราบอกว่าดิ้นว้าอากาศมันมันเรียกว่ามันโผล่พันมันมันไม่สามารถคำนวณได้บางทีนะแต่บางทีก็คำนวณได้นะ ดินฟ้าอากาศในหนึ่งปีจะมีสามฤดูดแต่จิตใจของเราเองเนี่ยแหละโอหมันไม่รู้มีกี่ฤดูเนา ะ, ะเดี๋ยวก็เป็นฤดูพายุเ ข, ข้าโกรธอ๋ออ๋อบุ่ดกิดเดี๋ยวก็เป็นฤ ด, ดูที่เรียกว่าร้อนด้วยไฟราคะไฟความอยากอหรือนบางทีก็ร้อนด้วยความโลภ ค, ความโกรธความหลงนั่นก็คือ รูปการมันเปลี่ยนแปลงไปในจิตใจของเราเนี่ยไม่ใช่ว่าแต่ละวันเนี่ยซ้ำแต่ละนาทีบางทีเราคาดเราไม่ได้เลยซ้ำใช่ไห ม, มเราเน่ยหลังจากเนี่ยอาจจะกความทําไปแล้วในบางทีเราคาดไม่ได้เลยซ้ำว่ามันจะมีอรมณ์ะไรเกิดขึ้นกับจิตใจของเราเองนะมันจะมีอะไรเกิดขึ้นกับตายนีอนะมันคาดเราไม่ได้เลยซ้ำไปนะะจิตใจเนี่ยเป็นสิ่งที่คาดเราไม่ได้นะ ไม่รู้หรอกว่าอนาคตมันจะคิดอย่างไรไม่รู้หรอกว่าอนาคตจะรู้สึกอย่างไรแต่เราก็ไม่ไม่ใช่ว่าพอไม่รู้เราต้องไปกังวลนะบางทีคนที่เรียนสูงๆนะหรือว่าอยู่กับระบบที่เรียกว่าทำงานที่ใช้ความคิดมากๆเนาะเรามักจะคิดการล่วงหน้า พอคิดเร่วงหน้าแล้วบางทีคิดเร่วงหน้าแล้วก็ยังไม่พอนะคิดเร่วงหน้าแล้วก็ทุกเร่วงหน้าตามไปด้วยเลยไหมนะทุกเรื่วงหน้านะเพราะ่อะไคิดกังวลว่าสมมุติว่าถ้าเราแก่แล้วไม่มีคนดูแลเราจะทํำยังไงเ น, ะนาะนะพอคิดแล้วเราก็มันก็มีบางอย่างก็ดีเช่นเราเตรียมตัวสะสมทรัพย์หรือว่าเตรียม ที่อยู่ที่อาศัยในความพร้อมเห็สบายแล้วแต่เชื่อไหมแม้เราจะเตรียมตัวขนาดไหนเตรียมเงินออมเตรียมประ ก, กันสุขภาพนะเตรียมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายแต่สิ่หนึ่งที่คนไม่เคยเตรียมคือเตรียมใจนะเราเคยเตรียมใจที่จะยอมรับเวลาเราวันที่เราแก่วันที่เราเจ็บวันที่เราอาจจะมอาจจะไม่สามารถตึงตัวเองได้แล้ว วันนี้เรายังแข็งแรงขับรนได้เองทำงานได้เช็คคิปตัวเองได้แต่วันหนึง่งถ้าถ้าเราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้ทำกายอาจจะต้องให้คนป้อนข้าวอาจจะต้องให้คนเช็ดขี้เช็ดเที่ยวอาจจะต้องให้คนคอยกายภาพบำบัดเราจะทำใจได้ไหมบางทีคนเก่งๆนะบันคิดบางทีคนที่เคยพึ่งตัวเองได้มากๆเนี่ยพอเวลา เราไม่สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างเป็นพุทธนาะเพราะเราไม่อยากเป็นภาระให้กับคนอื่นเพราะว่าเราไม่อยากที่จะทําให้คนอื่นเสื่อมเสียตอนเราเใส่ชุบตัวเองมาแต่ที่จริงเนาะบางทีชีวิตเราอาจจะเป็นเช่นนั้นบ้างจริงแต่ถ้าเรามองอีกแง่หนึ่งนะเนาะคือมันก็เป็นโอกาสดีที่เขาได้ทําบุญที่เขาได้มีเมตตาที่เขาได้เรียว่ามีความปราราช่วยเหลือเราบ้างมันก็เป็นบุญนะตรง น, นั้นของเขา แล้วก็ค่อยชื่นชมหรือว่าเราก็ค่อยเรียกว่าขอาะกุ่นเข้าไปด้วยแต่ถ้าเราไม่ยอมรับความจริงเราจะคิดเราก็อยากให้หายให้ได้เราก็อยากที่จะไรีว่าเป็นอย่างเดินให้ได้อันนี้เป็นเรื่องของการนอกจากเราเตรียมตัวในเรื่องของต่างๆแล้วซึ่งมันก็คงไม่ผิดเนาะแต่สิ่ที่ควรสำคัญคือเราก็เตรียมใจด้วยเนาะวันหนึ่งเราจจะเป็นเช่นนั้นแต่ถ้าเราไม่ปล่อยวางความเก่งไม่ปล่อยวางความซึ่งตนเองให่ได้ของเราเองนี่ เราก็จะทูกนะัดบางทีคนดีคนเก่งคนเรียกว่าค น, คนเลยพครื่งรองเสกได้บางทีมันก็จะทูกเพราะว่ามันก็ไม่แน่นะถ้าเป็นเรื่องของกายบางทีก็ไม่แน่แต่ถ้าเป็นเรื่องของจิตใจเนี่ยเราต้องฝึกไว้ก่อนเพื่อเป็นที่พึ่งจริงๆเนอะเรื่องของจิตใจเนี่ยแทบจะไม่มีใครช่วยเราได้ น, นะจริงๆนะอาจจะมีเพื่อนที่ดีอาจจะมีครูบาอาจารย์ที่ดีก็เป็นกัน ด้วยในระดับที่เรียกว่าชี้ทางบอกทางแต่ไม่มีใครทําทางให้กับเราได้นะอย่างพระเจ้าเองท่าบอกว่าประาคนเป็นแต่เพียงผู้บอกแต่ท่านท่านหลายต้องเป็นผู้ที่เดินเองหรือว่าทําเองจิตใจของเราเนี่ยแหละก็คือว่าพระหรือว่าพระพุทธเจ้าหรือธรรมะจากหนังสือจากอะไรก็แล้วแต่แค่บอกทางให้เท่านั้น แต่สิ่งสําคัญคือเราต้องทําของด้วยตัวของเราเองอาแ น, นีศเราต้องทำเองด้วยตัวของเราเองนะถ้าเราไม่ทําด้วยตัวของเราเองเนี่ยไม่สามารถทําให้กันได้บางครั้งภรรยาปฏิบัติทำเป็นห่วงสามีก็อยากจะให้สามีาเขาทท้าใจธรรมะด้วยก็ไม่สามารถให้กันได้นะพ่อแม่อยากจะให้ธรรมะแก่ลูกก็ไม่สามารถจะให้โดยตรงได้ไม่เหมือนกับให้เงินให้ทองสิ่งของภายนอก ลูกอยากจะให้ธรรมะกับพ่อแม่ก็ไม่สามารถให้ตัวเป็นวัตถุได้แต่เราทําได้ด้วยการทําแบบไหนก็คือว่าเราทําที่ตัวของเราก่อนนะตอนนี้คือการเรามาเริ่มที่ตัวของเราเองก่อนนะเราคือการนํามาเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองก่อนเมื่อเราเรียนรู้ด้วยตัวของเราได้ในระดับหนึ่งแล้วเนาะมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงซึ่งคนรอบข้างเข า, าจะเห็นเองนะ เขาจะเห็นเองจากเราแต่ก่อนเคยโปวดง่ายเคยโมโหง่ายนะแต่ต่อมาก็ย็นขึ้นหรือว่าเบาลงแบบนี้นะแต่ก่อนเคยโลงไปสองโรกเยอะตอนหนังก็เผาเผาลงมาบ้างอันเนี้ยคนต้องข้างเขาจะสังเกตเห็นเองนะโดยที่เราไม่ต้องดูโฆษณาคนที่ประเดิมทํำส่วนใหญ่ถ้าปฏิบัติถูกนะอาจจะยังไม่ถึงที่สุดของทุกหลอกนะคนรอบข้างก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงแล้วเขาจะรู้เองว่า เออเราดีพัฒ น, นาการแต่ตัวเราเองนี่ก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของเราเองเช่นเดียวกันเช่แต่คนรอบข้างเราเราจะเห็นได้ว่าคื อ, อชีวิตเราเนี่ยมีความพบน้อยลงมันมีความสุขมากขึ้นแล้วเราก็จะเห็นกินเลสในใจของตัวเองเนี่ยเยอะแต่ก่อนเราเคยคิดว่าเราเป็นคนดีเรามีความสุขแล้วเรามีความสบายใจแล้วแต่พอปฏิบัติไปเรื่อยนะ บางทีเราจะเห็นว่าตัวเองมีความทุกข์มากขึ้นมีความทุกข์แต่ไม่ใช่เป็นผู้ทุกข์มันต่าง ก, กันนะมีความทุกข์เกิดขึ้นกับจิตใจอยู่บ่อยๆมีความหลงเกิดขึ้นกับจิตใจเนี่เยอะแยะหลายครั้งหลายคนมากแต่ก่อนไม่รู้ตัวว่าตัวเองหลงวันหนึ่งหลายๆครั้งเพราะว่าอะไรมันหลงแต่เช้าหรือค่ำตอนหลับตอนนอนถ้าไม่รู้ตัวอีกทีหนึ่งก็มีแต่พอปฏิบันทําไปแล้วกับรู้สึกว่า วันวัน น, นี้เราลงมากมายเลยเดี๋ยวก็หลงไปดูเห็นคนก็หลงไปดูละได้ยินเสียงก็หลงไปฟังอได้กิ่นอะไรก็หลงไปสูตดลมหรือบางทีก็ไม่ได้แค่นั้นตเอาไปวิาพากษ์วิจารณ์ไปชอบไปไปชังอะไรต่างๆนะเราจะเห็นว่าความหลงเกิดขึ้นในแต่ละวันนี้เยอะแยะมากมายอมันจะกลับมาเห็นตัวเองนี่มันมีมีงานที่ต้อง ท, ทําอีกเยอะเลย ครานี้มันจะเป็นงานที่เราจะพัฒนานถ้าเรามีสติหรือถ้าเรามีปัญญาหรือถ้าเราตั้งเป้าหมายของชีวิตของเราแล้วนะเราจะเห็นว่าชีวิตเนี้ยมันมีแต่ความทุกข์เท่านั้นนะไปที่เราว่ามันสุขมันสบายเนะี้ยมันก็เป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์หนึ่งเท่านั้นเหมือนกับรดูการอะโยม น, นะตอนนี้ฟ้ามันใสฝนไ ม, ไม่ตก แต่วันนี้ก็ไม่แน่หรอกอาจจะตกก็ได้เมื่อไรก็ได้ตอนนี้เราตื่นว่าชีวิตเราค่อนข้างสบายไม่ค่อยทุกข์แต่มันไม่แน่หรอกถ้าวันหนึ่งอาจจะเจอปัญหาชีวิตอาจจะเจอความทุกข์เข้ามาเรียกว่าทดสอบกับจิตใจของเราเองก็ได้อันนี้อาจจะเป็นความเกิดการที่ทุกหนักๆนะนะแต่จริงถ้าเราฝึกสติไปเอยอะๆในต้นเขีนว่าให้ทุกที่มันเรียกว่ามันละเอียดขนาดนั้นมันก็มีทุกข์ที่เกิดจากอะไร เกิดจากความคิดท so. ุกที to to book, Fair Fair cool er ่เกิดจากการที่เรีว่าจิตไม่ไม่อยู่กับปัจจุบันเนี่ยมันจะเกิดขึ้นบ่อยมากเดี๋ยวก็แวะไปคิดถึงอดีตเดี๋ยวก็แวะไปคิดถึงอนาคตเดี๋ยวก็แวะไปคิดถึงรูปเดี๋ยวก็แวะไปคิดถึงเรื่องงานไม่ค่อยอยู่กับปัจจุบันขณะที่เรานั่เอียนเนี่ยนะบางทีถ้าเราไม่มามีการฟังธรรมตรงนี้เนาะบางทีเราก็จะไม่มีเครื่องอยู่กับตัวของเราเองละ เราก็นั่งลฉยๆกาเหม่อลอยไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บานทีก็เหม่อลอยไปดูนั่นดูนี้อันนี้คือจิตที่มันเรีว่าไม่มีเครื่องอยู่แต่อย่างสมมุติเราฟังธรรมนี้จิตเราจะมีเครื่องอยู่นะอันนี้คือพูดถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนะก็คือว่าที่จริงการปฏิบัติธรรมไม่ใช่อะไรอื่นไกลหรอกอย่างเช่นตอนนี้โยนั่งฟังธรรมมาอยู่โยก็มีสติกับการตั้งใจฟังอันนี้ก็คือการปฏิบัติธรรมแล้วนะ เราตั้งใจในการฟังในปัจจุบันนะอันนี้ก็คือเรามีสติแล้วก็อยู่กับปัจจุบันแล้วแต่ถ้าบางทีเราฟังทำไปบางทีเรก็พยายามคิดไปด้วยหรือบางทีมันก็เกิดแวบขึ้นมาไปเปรียบ เ, เทียบกับเอออันนี้เหมือนกับอดีตที่เราเคยเป็นเลยนี่ยก็เราก็เป็นมีการคิดเข้ามาแทรกพร้อมกับการฟังด้วยก็มีหรือบางทีจิตใจเราก็ เรียกว่าเธอไปคิดเรื่องอื่นเลยนะมันก็คือเราดึงตัวไปก็มีพอเรารู้ทนะันว่าจิตใจเราไปคิดเรื่องอื่นแนละ้วเออเรากลับมาอยู่ ก, กับเนื้อหาปัจกุบันฟังใหม่หรือว่าเราตอบมารู้ตัวว่าเรากระดังนั่งอยู่เนะี่ยเราก็เรียกว่าเป็นการฝึกปฏิบัติธรรมแล้วนะนี่คื อ, ค อ, คอการฝึกเตืินสติไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากนะแต่แต่ว่าให้เรากลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่เสมอปัจจุบันมันมีหลายอย่างนะ เช่นปัจจุบันนี้กำลังนั่งอยู่อันนี้ก็เรียกว่าอยู่กับปัจจุบัน orton. สมมุติตอนปัจจุบันนี้กำลังหายใจเข้าอันนี้ก็คือปัจจุบันต่อไปนี่อาจจะเปลี่ยนเป็นหายใจออกอันนี้ก็คือเป็นปัจจุบันเช่นกันหรือแม้แต่เสียงที่อาจารมาพูดก็เหมือนกันแต่ละคำแต่ละประโยคมันก็ต่างกั น, นกไปแล้วก็เป็นปัจจุบันที่เกิดขึ้นใหม่อยู่เสมออยู่เสมออยู่เสมอคือปัจจุบันเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยเหมือนกับเหมือนกับน้าําที่มันไหลไปเรื่อยๆ เหมือนเราหย่อนเท้าลงไปในน้ําน้ําที่สัมผัสกับเท้าเราก็เป็นน้ําใหม่ไปเรื่อยเหมือนกับอากาศเาเดี๋มองไม่เห็นอากาศเนาะแต่าการที่สัมผัสกับเนื้อกับตัวของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยอ่ามันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเรื่อยๆมันกับลมเวลานั่งอยู่ชายทะเลตรงก็กระทบจากอ่าทะเลเข้ามาสู่ฝั่งก็กระทบกายเราผ่านไปเรื่อยๆ น, นี่ ปัจจุบันนี่มันเปลี่ยนไปแบบนั้นเรื่อยๆแต่ไอ้ที่เรามักจะผลงก็คืออะไรไอ้ปัจจุบันที่มันไหนไปได้คืออะไรไอ้ความคิดนะความคิดเนี่ยมันจะไหลไปบ่อยมากมีนักวิทยาศาสตร์นะเขาเขาเคยทําการทดลองทําการวิจัยวันวันนึ่งเนี่ยคนเราเนี่ยคิดนะมากกว่าประมาณหกหมื่นครั้งต่อวันนะตั้งแต่ตื่นจนดับอธิบายคิดว่า อาจจะรวมถึงตอนฝันด้วยก็ได้นะตอนนอนตับก็คิดเป็นเรื่องความฝันนะมันคิดนิดคิดน้อยนะแทบจะเรียกว่าวินาทีรักค้างก็ได้นะมันคิดนะบาทีคิดเรื่องเก่าบ้างบางทีก็คิดเรื่องใหม่บ้างแต่จริตเนี่ยมันเรียกว่ามันเถื่อไปคิดปล่อยมากนั้นใช้เนี่ยมันจะไหลยเยอะมากเราก็มาฝึกสติในการเนี่ยหละง่ายๆคือกลับมาอยู่ขอบไปุบัน อยางทานหลเทียนถ้าจะเน้นเบื้องต้นก่อนก็คือว่าถ้าเรามามีสติรู้กายที่เคลื่อนไหวอันนี้เรียกว่ากายยานึ่ปัศนาสติปัฏฐานกายมันมีแล้วนะเราสามารถให้มีสติตั้งอยู่กับกายได้นะกายที่เคลื่อนไหวก็มีหลายรูปแบบบางวิธีที่เรียกว่าอาณาปัณสติกนะก็คือการรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกนะ อาจจะคว่าหลายคนก็คเคยทํามาหรือบางคนก็ดูท้องฟองยุบกาหนดสติอยู่ของท้องฟองท้องยุบแต่เราก็เทียนเชานเน้นที่เรียบทที่เรียนว่าใหญ่ๆหรือว่าหยาดยาก่อนเช่นยืนเดินนั่งนอนหรือว่าขูดแขนเข้าเหยียดแขนออกอันนี้คือเรียบทใหญ่ๆซึ่งเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นนะ เราฝึกสติกับการรู้กายเคลื่อนไหวในรีบอนใหญ่ๆที่รีบนจับใหญ่ตัวนั้นนะต่อไปเดีสติเราจะละเอียดขึ้นจะรู้สึกรีบรยอนยเล็กๆแค่เดี่ยวซ้ายแตนขวาขตา่อที่ตาผ้าปากหายใจคือน้ําลายลมกระทบสัมผัสมันก็จะรู้สึกตามไปด้วยอันนี้คือกายที่มันเคลื่อนไหวแจัใหญ่ๆต่อไปมันจะรู้สิ่งที่ละเอียดขึ้นต่อไป มันไม่ได้เห็นแค่กายไม่เห็นจิตใจด้วยนะแล้วก็ที่เขาบอกว่าดูกายเห็นจิตดูคิดเห็นทำเมื่อเราเห็นกายบ่อยๆตอ น, นี้เราจะเห็นจิตใจด้วยที่จริงไอ้ที่เราว่าเป็นเราเป็นชีวิตเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่กายเท่านั้นแต่มันจะ ม, มีจิตใจอยู่เหมือนกนะันนั้นจิตใจไม่ใช่หัวใจนะนะจิตใจมีหลายส่วนมากบางทีมันเป็นสิ่งที่เรียกว่าความรู้สึก บางทีก็รู้สึกสุขบางทีก็รู้สึกทุกข์บางทีก็รู้สึกเฉยเฉยอันนี้ภาษาพากลเรียกว่าเวทนาเป็นเวทานาที่มันเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาบางทีเราก็เฉยบางทีเราก็สุขบางทีเราก็ทุกข์เป็นแบบนี้นะไม่มีใครไม่มีเวทนานะไม่ใช่ฝึกเพื่อให้ไม่มีเวทานานะแต่มันมีเวทานาแล้วเราเขรู้ว่าตอนนี้เวทานาไปเกิดที่สัตใจนะไม่ใช่ว่าจะไม่ให้มีเวทานานะไม่ใช่นะ มีอะไรมีเวทนาแบบหเกิดขึ้นเราก็รู้ทันอันนี้คือพอเราเห็นบนะ่อยๆมันจะเห็นหเวทนาเกิดขึ้นกับใจนะสุบ้านพุบ้า ง, างหรือเฉยบ้างหรือบางทีก็เห็นว่าไอ้จิตเนี่ยมันมีจิตอยู่สองแบบเอาง่ายๆก็คือจิตบางครั้งเนี่ยมันเป็นปกติมันไม่ปรุงแต่งมันไม่หลงเป็นคิดอะไรมันอยู่เปฉยๆธรรมดาแค่รู้รู้แล้วก็วางรู้แล้วไม่เข้าไปยึด รู้แบบซื่อๆนะหรือถ้าภาษาการบางทก็เรีว่าตัดแต่ว่ารู้นะตัดต่ว่ารู้ไม่เข้าไปปรุงแต่งต่อนะคล้ายๆเอาแบบกัวอย่างคล้ายๆเหมือนกระดาษเปล่าเนี่ยนะกนะระดาษเป่าไม่มีตัวหนังสือไม่มีรูปภาพอะไรนะอันนี้คือเหมือนรู้ซื่อๆรู้ธรรมดานะแต่ก็จะมีจิตอีกประเภทหนึ่งมีอารมณ์เกิดขึ้นกับจิต เป็นความโลภความโกรธความหลงความรักความชังความหงดหิดความไม่พอใจความฟุ้งซ่านความทุกข์ใจไอ้พวกเนี้ยสารพัดมากมายนะแต่อันนี้คือจิตที่เรียกว่าเป็นจิตที่เรียกว่าไม่ปกติก็ได้มันเห็นว่าจิตมันมีก็มีสออแบบจิตประเภทหนึ่งคือเรียกว่าเป็นปกติไม่ทุกข์แต่จิตประเภทหนึ่งคือจิตจิตปกติไปมันมีความทุกข์เกิดขึ้น อันเนี้ยมันเห็นว่าแค่จิตใจมันเป็นเช่นนั้นแต่จริงถ้าเราไปสติมากขึ้นมันจะเห็นว่าไอ้ที่จริงจิตที่มันไม่ทุกเนี่ยมันมีมาก่อนแล้วแต่จิตที่มันพุกเนี่ยมันมีมาที่หลังคล้ายๆสมมติเสื้อผ้าของเรานะสมมติทำมนจากผ้าฝ้ายทํามาจากผ้าฝ้ายแต่ก่อนก็เป็นฝ้ายฝ้ายติด ต่อไปก็ฟอกเป็นสีก็ต้องฟอกเป็นสีขาวก่อนกระบวนการสังไวยท้่เราจะได้สีตามสีแดงอะไร้ราค่อยมาย่อมาอีกทีหนึ่งจิตใจของเราแรกๆองเหมือนเป็นจิตใจปกตินะมันเป็นได้เป็นเปฝ้าบริสุทธิ์มันยังไม่เป็นฟอกเป็นสีขาวไม่เป็นฟอกเป็นสีตามสีแดงอะไรต่างๆไอ้ที่มันฟอกก็คือการที่เราไปปรุงแต่งมันเข้ามาเชื่อมขั้นเชื่อมขาวนะ แต่จิตใจนี่แต่มันปรุงแต่งแล้วเราเปลี่ยนแปลงไปอยูเสมอเมื่อกี้รับต่อไปอาจจะช้ำก็ได้นะเราจะเห็นบางคนเดี๋ยวก็รักกันเดี๋ยวก็ช้งกันอบางคนเดี๋ยวก็ดีกันบางคนก็โกรธกันมันก็เป็นแบบนั้นไปเรื่อยๆบางทีเราก็คิดดีบางทีก็คิดไม่ดีห้ามไม่ได้สักทัอจะเห็นนะบางทีไม่ได้อยากจะคิดไม่ดีนะแต่บนคิดของมันเอง ไม่ได้อยากจะโกรธไม่อยากจะมีอารมณ์ไม่ดีนะจะเป็นโกรธของมันเองอารมณ์ไม่ดีเกิดขึ้นเองไม่ได้อยากจะไปคิดถึงเรื่องราวที่มันทุกแต่มันก็ไปคิดของมันเองนะอันเนี้ยเราจะเห็นว่าจิตใจมันเป็นไปของมันเองบังคับไม่ได้เลยเนาะบังคับไม่ได้เปลี่ยนแปลงของมันอยู่เสมอแล้วก็จะเห็นเรื่องราวในจิตเนี่ยมันเป็นเรื่องที่คอยเปลี่ยนแปลงแสดงละครให้เราดูอยู่เสมออะ บางทีเราก็เห็นสิ่งที่เรียกว่าเป็นธรรมารมณ์คือสภาวะที่จริงธรรมารมคือสภาวะอาการต่างๆที่เกิดขึ้นนะอาจจะเป็นกุศสนุตกรรมบ้างคือกรรมในฝ่ายดีนะหรือว่าอุศสนกรรมคือกรรมในฝ่ายที่ไม่ดีคือสิ่งที่เร้วเป็นการมการก็ดีมันก็มีนะอยู่เสมอนนะเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีเดี Life ๋ยวก็ทําการอันนี้เรียกว่าเป็นเป็นธรรมมาลมอย่างหนึ่งก็ได้นะอันนี้มันจะเห็นได้ว่ า, าเนี้ย อันนี้คือสิ่งที่เราจะมาฝึกให้รู้ทันที่ปัจจุบันนะเริ่มต้นจากการดูกายเคลื่อนไหวอยาบๆนี่แหละต่อไปมันจะเห็นกายเคลื่อนไหวที่ละเอียดขึ้นต่อไปจะเห็นถึงจิตใจนะแต่ก่อนอาจจะเห็นแค่จิตอยาบๆเช่นโปวดแรงค่อยรู้ตัวนะโรคมากๆค่อยรู้ตัวนะหรือว่าคิดจนจบเรื่อง หลายครั้งแถวค่อยรู้ตัวนะเคยไหมบางทีกคิดไปเพลินเป็นหลายนาทีค่อยรู้ตัวมันจะเองคิดแต่ต่อไปพอเราฝึกสติมากขึ้นนะต่อไปไม่ทันจะโกรธแรงนะเราก็รู้ตัวได้เร็วนะแค่ฝุ่นุดยินนิดนึงเนี่อรู้ตัวละหรือบางทีแค่มันอยากจะได้เล็กน้อยเนี่ยมันจะติดนิดนึงเนี่ยต่อรู้ทันใจของเราละหรือบางทีแค่มันฝุ่ขึ้นมาถจงคิดอะไรก็แล้วแต่นะ เรารู้ทันนะนะถ้าเรารู้ทันมันเร็วๆนะโยนะมันจะทำให้จิตใจเราตุ้มน้อยลงเพราะอะไรเราดับมันได้เร็วเหมือนกับไฟมันกัไฟถ้ามันจปไหม้ที่ไหนทักแห่งหนึ่งมันก็ต้องเริ่มจาดกองไละได้่อนั่นแหละถ้าเราสามารถเห็นไฟที่มันไหม้ตั้งแต่ตอนเช่นสมมติว่าไฟมันช็อตการเกิดประกายไฟมันไหม้ เราดับไฟเห่านั้นได้ก่อนมันก็องมีรามเป็นไม้ตึกๆไม้บ้านของเราเองจิตใจก็เช่นเดียวกันเมื่อเราเห็นว่ากองโผล่มาไหม้ใจเราแล้วเรารู้ทันกันได้เร็วนะมันก็ตะดับได้เร็วนะถามว่าปล่อยให้ไฟไม้บ้านมันจะตับได้เองไหมมันดับได้เองนะเพราะนหมดชี้แล้อแต่เราอยากจะให้บ้านมันเสี่ยงหาขนาดนั้นไหมถามว่าความโกล่มันเกิดขึ้นเองแล้วมันจะหายไปไหมมันก็หายเนาะ บางทีความทุกข์เนี่ยเราก็เห็นว่าบางครั้งเนี่ยเราเคยเจอทุกข์เช่นบางครั้งผมหัดบางครั้งมีการสูญเสียสิ่งที่เป็นที่รักหรือสูญเสียคนรักไปเราก็รู้สึกว่ามันทุกข์มันก็ทุกข์อยู่ไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันไม่กี่เดือนไม่กี่ปีมันเดี๋ยวมันก็หายนะมันก็แก้ทุกประมันเองแต่ถามว่าเราอยากจะให้มันหายเองหรือว่าเราจะรู้ทันแล้วก็ให้มันตัดไปเร็วเร็วกว่านั้นอ ถาเราคกสตินะมันจะรู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์แล้วก็มันจะตัดตัดไฟตั้งแต่ต้นลมนะไม่ใช่ไฟลงแล้วไม่ใช่มอดหมดแล้วเนาะนี่คือสติจะทนะําหน้าที่ปล่อยรู้เท่าทันจิตใจทั้งที่จริงนี่แหละเดียวนะเราคุณสติไม่ใช่เพื่อจะให้แค่บงคังคับให้มันมีสติอยู่กับกายเท่านั้นหรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่าจิตใจเนี่ยมันเป็นแหล่งที่เกิดกิเลสนะ กายเนี่ยเป็นแห่งที่เกิดโรคนะมันมีเชื้อโลกมันมีพยาธินะมันกายเนี่ยเป็นได้อย่างมากก็เพียงแค่โรคภัยแค่เจ็บสุดท้ายก็ตายไปแต่จิตใจเนี่ยแม้บางทีตายตายนะแต่จิตที่ยังสะสมความโลคความโกรธความหลงอยู่เนี่ยมันจะทําให้เราวนเวียนกลับมาเวียนไล่ใจเกิดอีกนะเราเกิดทุนะกข์ ก, ก็รไปงนั้นจิตใจเนี่ย มันไม่มันมีเคียร์โลกเช่นเดียวกันโลกของจิตใจเนี่ยคือกิเลสดังนั้นเรามีสติจุดสําคัญที่สุดคือกลับมาเห็นจิตใจเพราะจิตใจมันเป็นตัวที่เรียกว่ามันทําให้เกิดเป็นความทุกข์ร่างกายอาี่ยนํามาทุ่โลกใครแฉกเจ็บแต่นั้นก็เพียงแค่เจ็บแคฉงกายเท่านั้นนะแต่ถ้าเราไม่มีสติรู้ทันนะจิตใจเราเจ็บทุกไปทุกเรื่องเลยนะไปทุกขนาดเลยนะ ตายไปแลเรียนเป็นทุกข์อีกเอาเหมือนคล้ายๆแม่นาคพโนนนี่น ะ, นะตายไปล้วก็ยังทุกข์พวกห่วงควรอยู่นะเนี่ยนะมันก็มีความทุกข์แบบนั้นนะหรือแม้แต่บัญชีในสมัยพุทธกาลนะมีพระท่านได้ทีวอนใหม่มานะได้ทีวอนใหม่หมาอย่างดีเป็นผ้าอย่างดีปืออ้นท่านพอได้รับทีวอนยังไม่ได้ทันคลองทีวอนนะตายก็ดีพระเจ้าท่านรู้ว่า พรรูป น, นี้ท่าตายแล้วไปเกิดเป็นอะไรไปเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเลนตัวเลนอาจจะเป็นเหมือนมแมลงเล็กๆบางเกาะที่ที่ผ้าพืนนั้นอยู่ผ้าที่วันืนนั้นอยู่พระเจ้าจะบอกบอกหมกพิสุปกติแล้วคือสุน陀พระมรณะภาพของทุกอย่างเนี่ยที่ว่าเป็นของของที่พักท่านใช้ยอยู่นะก็จะตลายเป็นของสมไม่เหมือนสมมุติทางโลกที่แบ่ง มรดกตามสายเลือนเนาะตามพี่ในกรรมนะแต่ของหลวงพานี่ตายไปนวดอัจมาิยะอะไรเนี้ยของนั้นก็ตกเป็นของโสมของวัดป่าสุขสโตไปหมดนะอันนี้สมัยจันกันจีวร น, นี้ก็ตายเป็นของโสมแต่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่าจีวรผืนนี้อจะเพิ่มให้ใครใช้รอไว้ก่อนสักเจ็ดวันนะรอเพื่ออะไรเพราะว่าพระที่มรณนะข้าไปนั้นท่านตายแล้วตดเป็นเป็นเล่ ตากไว้ว่าเนี่ยทีวันปูทีวัเรานะใครอยมาใช้นะถ้ามันใช้เชดี๋จะเจ็ตัดนะอ่ะะก็คือพระเจ้าก็จะไม่ให้พักที่สุดใช้ที่วันนั้นแต่รอเจ็ดวันเรนจะนั่งตายไปเนี่ยแล้วก็ไ ป, ก เ, ปเกิดในที่อื่นก็เลยหวงทีวนนัอวอ น, นอ่ะเพราะว่าตาย เ, เกิดพวกคุณคอื่นอันนี้คือมันก็มีการเรียนไหวแต่เดือดร้อนนะเราห่วงอะไรบางทีแล้วก็เกาะติดกันอยู่ตรงนั้นก็มีนะ แต่บางทีไอ้เรื่องนี้ก็พูดยากไม่มีใครบอกได้แ น, น่นอนะนะบางทีคนก็ไปพาว่าคนนั้นคนนี้ตายแล้วไปเกิดตวันเช่นไหนเกิดพนะโลช่นไหนก็น่าต่ได้เชื่อแล้วกันนะออแต่มาว่าถ้าเราไม่มียาดก็อย่ก็ฟังหูไปหูวไว้นะแต่เราให้เชื่อเชื่อการกระทําของเราเองนี่แหละนะการกระทําำของเราเองนี่แหละคุณนะอาอนนะจารย์ต้องบอกว่าใครทํากรรมเช่นไในก็ได้รับผลเช่นนั้นแหละ ทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชัว่วแต่มันได้ตอนไหนนี่มันบอกไม่ได้เรื่องกรรมเนี่ยเป็นเรื่องพจิริตเรื่องที่เรื่องพจินไลยคือเรื่องที่ไม่สามารถคิดคิดได้นะดังนั้นะไม่ต้องคิดหรอกนะว่าทําไมเราถึงเกิดมาแล้วนะเจอเหตุการณ์อย่างนั้นอย่างนี้นะมันเป็นเรื่องของกรรมที่ทํามาทั้งนั้นแหละนะอดีตชาติบ้างหวือชาตินี้บ้างแต่กรรมฐานเนี่ย มันจะสร้างกรรมอย่างหนึ่งโย่กรรมที่เรียกว่ากรรมเหนือกรรมคือบางทีสมมติเราเป็นตรวจพคเป็นโรคมะเร็งหรือบางทีเราเกิดอุบัติเหตดกับชีวิตนะเป็นธรรมภาพเป็นธรรมพึกหรื อ, อของรักของห่วงสิ่งที่ปลูกพันธ์ันหายไปมันตายไปอันนี้คือกรรมที่เราเจอ นะเจอจริงปฏิเสธไม่ได้จะบอกว่าไม่จริงก็ไม่ใช่นะเป็นการหรอกตัวเองแบบหนึ่งแต่คราวนี้เราทํากรรมฐานเพื่ออะไรเพื่อให้เราไม่ทุกข์ใจมันดะต่างกันนะการทําบุญก็ดีการปฏิบัติทำก็ดีไม่ใช่ว่าทําแล้วจะไม่เจอปัญหาชีวิตทําแล้วจะไม่เจอสิ่งที่ไม่ดีกับชีวิตนะถ้าคิดเช่นนั้นอนะ่ะเป็นการคิดผิดนะแต่การทำกรรมฐานคือเมื่อเกิดปัญหากับชีวิต เมื่อเกิดกับสิ่งที่ไม่คาดหวังเกิดขึ้นในชีวิตแล้วมันจะมีสติรู้ทันแล้วก็ไม่ทุกข์นะทั น, นี้คือมันต่าง ต, อ, ตอนนี้นะไม่ใช่ว่าเราทำบุญแล้วเราจะต้องเจอแต่สิ่งดีๆกับชีวิตเท่านั้นนะที่จริงเนี่ยบางคนทาบุญมากๆ า, านะแต่ชีวิตมีปัญหาก็เยอะแยะมากมายไม่ใช่แต่สมัยนี้หลับโยมนะอย่างสมัยพุทธกาลเนี่ยนะมีมีเศรษฐีคนหนึ่งชื่อว่าอาณาทัาก ธานาบินนกกัศเศรษฐีคุปติจาท่านบอกว่าเศรษฐีคนนี้ถือว่าเป็นอุบาสก ต, ตัวอย่างก็คือผู้ชายที่เรียกว่าเป็นตัวอย่างในการทรําบุญทําทานอุปธรมรมของพุทธศาสนาเนี่ยเข า, ท, าท่านรับํารุงก็สร้างวัดดูแลวัดดูแลพระภิกษุดูแลพระพุทธเาจา้าต่างๆมากมาย เป็เศรษฐีเป็นพ่อค้าแต่วันห น, นะ น, นึ่งนะขณะวินาศาเศรษฐีนะบ้านโดนไฟไหม้ทรัพย์สินต่างๆนี้หมดไหม้ไปหมดหายไปหมดเลยจากคนที่รวยกลายเป็นคนติดเนื้อกระดาษตัวบางคนก็ตำหนิว่าทําไมคน ท, นทําบุญเช่นนั้นทําไมได้รับประสบความสร็จเช่นนี้ด้วยแต่นักวินาศาสเศรษฐีแล้วก็คนที่รู้ทำไมไม่ได้มองเช่นนั้น เขาบอกว่าไอ้นั้นก็หายไปแต่เรื่องของตนบัติภยนอกแต่ที่เราได้จะทาไปมาทำก็คือจิตใจที่เป็นทุกกับคือตมบัติภายนอกขึ้นหายไปให้เป็นทุกข์เพราะเหตุการณ์ที่มปนเกิดขึ้นโดยไม่คาดฝันนั้นแต่มีสติรู้ทันว่ามันไม่พกุกแล้วก็ค่อยหามาใหม่ได้แล้วก็กรรมที่ทำดีก็ทําให้เลื่อนฟูงหรือว่าคนที่เลื่อเฟื้อมาทําให้มาจุดเดือด เ, เขาเขาก็กลับมาเป็นเศรษฐีได้เหมือนเดิม บางคนเนี่ยบางทียัางหลวงปูตูนที่สุดินนะท่านก็เคยเล่าให้ฟังตอนหนึ่งเนยจขาดก็มีมีแม่ค้าในตลาดที่สุดินมาตำหนิหลวงปู่ตนะูนมีปีหนึ่งมีช่วงปีหนึ่งเกิดไฟไหม้คําใหญ่ในตัวเมืองจังหวัดสุดินเขาต้องมาตำหนิหลวงปู่ ท, ทาไมหรือทําบุญทําทานมาเยอะนะทําไม บ้านต้องโนไปไม่ด้วยทําไมธรรมะหรือว่าบุญไม่คุ้มครองหนูนะมันก็เป็นเช่นนี้นะมันเป็นเช่นนี้ก็เลยเกิดความเรียกว่าเกิดความคิดว่าเราทําดีแล้วไม่ได้ดีนะแต่จริงถ้าเราทํารสมถานนะั้นจะทําให้เราเรียกว่าเกิดความเรียกว่าไม่ทุกขใจมีที่วัดสุกศรีโลกแห่งกันนะมีมีคนญี่ปุ่นไปปฏิบัติธรรม อ่ากนะ็ลเลยก็มีภาพเรื่องหนึ่งท่านท่านก็อ จ, จะมีภาพเครื่องมีอะไรก็เอาให้คนญี่ปุ่นนะให้คนญี่ปุ่นบอกว่าอย่มีภาพเครื่องนะแต่พระจะตุ้มครองนะแต่ตุ้มครองเออมีวันหนึ่งนะเขารองเท้าเ้าหายรอท้าเขาหายก็าา ห, ายาหายไปข้างหนึ่งนะก็อาจจะสันที่ฐานว่าหมาข้ามไปหรือก็ไม่รู้อาจจะมีคนขกบยไปหรือเปล่าก็ไม่รู้นะหายไปข้างหนึ่ง เขาก็เขาก็ด si <te ad> ่านะเขาก็พูดมันเป็นภาษาหยาบๆนะเขาคิดว่าทําไมเรามีพระแล้วทําไมพระไม่คุ้มครองหลังพระเราเขาก็พูดอย่านีะจริงมันเป็นความหลงคิดฟีแบบนึงนะที่จริงการมีพระคุ้มครองคือการมีสติคุ้มครองใจเรานี่แหละนะต่เกิดอะไรกับชีวิตเนี้ยมันก็สามารถที่จะไม่รู้ก็ได้ที่จริงเราฝึกบ่อยๆนั้นเราจะแยกได้ ระหว่างความทุกข์กับปัญหาเนี่ยมันเป็นคนละส่วนกนะันเข้าใจไหมในชีวิตของเราในโยมนะมันมีปัญหาแ น, น่นอนมีปัญหาในหน้าที่การงานในครอบครัวหรือว่าในสุขภาพอันนี้ยถ้าเราแยกเพราะอันนั้นคือสิ่งที่เรียกว่าปัญหาแต่คนพอเจอปัญหาแล้วมันเอาปัญหาเป็นความทุกข์ทั้งหมดเลยนะแต่ถ้าเราฝึกสติเรามีปัญญาจะเห็นว่าถ้าปัญหามันก็เป็นปัญหามันเป็นเรื่องภายนอก แต่ความลุกความทุกข์เนี่ยเป็นเรื่องภายในเป็นเรื่องของจิตใจปัญหาเนมีอยู่ตลอดเวลานะแม้จะเป็นพ ร, รนะละหันนั่นก็มีปัญหาะนะโยมนะอืมอย่างวัดของพระพุทธเจ้ า, นะาในสมัยพุทธกาลน่ะวัดเชตะวันเนี่ยก็มีพระ ท, ที่เรียกว่าเป็นอรชีเป็นพระ ท, ที่เรียกว่าทํากิจศิลเยอะๆมากมายทาั้งทั้ที่วัดนั้นนั่นก็มีพระละหันเต็มเลยนะพระพุทธเจ้าบ้างพระโมครานะบ้างพระสาธีบุตรบ้าง แยกๆมากมายอยู่กับวันั้นนหะแต่ก็มีพระอรชีถือว่าอะไรก็มีปัญหนานะ้วัดนั้นนะแต่จริงแล้วพระอรหันต์การๆท่านมีทุกใจช้าๆช้าๆแก้ปัญหาไปช้าๆตับเพลินหรือว่าทลงโทษไปบ้างอันนั้นทุกที่นะแม้แต่สังคมที่เป็นสังคมอริยศมเช่นนั้นก็ยังมีปัญหนานั้นะไม่ต้องปฏิเสธนะถ้าบางทีมีปปัญหาเกิดขึ้นในครอบครัวของเราเนี่ยให้ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดานะ มีปัญหาในที่ทํางานมีปัญหาในชุมชนเนี่ยถือเป็นเรื่องธรรมดาแต่เรามีสติคอยแยกว่ า, ปาเป็นปัญหาก็เป็นตัวปัญหาแต่ความทุกข์ใจเป็นสิ่งที่เราสามารถแก้ไขได้หรือว่าเราจะไม่ทุกข์ใจกับมันก็ได้อันนี้น้าให้แยกเช่นนี้ดังนั้นคอยฝึกเช่นนี้ไย่เสมออันนี้จะมาผู้ที่ฟังในหลักการ เ, รเพิ่มเนาะเดี๋ยวจะให้คุณศาตจารย์สุ้มท่านแนะนําวิธีในการฝึก เพราะว่าการฟังคำเนี่ยมันก็ดีดีมากมากเลยนะแต่ยังดีวิถีที่สุดเพราะว่าอะไรเพราะมันเพียงแค่ได้จำได้หรือคิดได้แต่สิ่งที่สาคัญเนี่ยมันต้องเกิดจากการทำได้นะต้องทำได้เลยนะไม่ใช่แค่คิดได้นะเหมือนกับเราอ่านไปซื้อหนังสือคู่ ม, มือทำอาหารทกอย่างที่เราเังทาได้เป็นยังไงเราก็จะ อ่านได้จำได้แล้วนะแต่เราทำได้ไหมก็ยังไม่ได้นะถ้าเรายังไม่เคยทำเนาะอออย่างเราไปทำขนมเค้กเนนะี่ยไปซื้อผู้มือแล้วนะถ้าเราไปซื้อวัตถุดิบมาแล้วแต่ถ้าเราไม่ลงมือทำอยังไงมันก็ยังไม่เป็นถนนเค้กใช่ไหมหรือทำครั้งแรกมันอาจจะไม่เป็นเค้กมันอาจจะเป็นอะไรได้ล็กๆก็ได้นะอาจจะไหม้เลยก็ได้ใช่ไหมคือบางทีทำครั้งแรกอาจจะยังไม่ได้ แต่ถ้าเราทําไปบ่อยๆบ่อยๆมันก็สามารถทำได้เหมือนกันเนาะอันนี้คือเรื่องการปฏิบัติธรรมจะต้องอาศัยการปฏิบัติรักษาบุญผ่านไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ก็จะได้เกิดความคข้าใจด้วยเพราะฉะนั้นในวันนี้นอกจากได้ฟังธรรมแล้วเราจะได้ปฏิบัติธรรมร่วมกันเนะาะพระอาตมาเองหรือพระอาจารย์ตุ้มเนก็ดีครับถือว่ามาเป็นการนำบิ๊กให้กับพวกเราแล้วก็ถ้ามีอะไรต้งคถามกันก็ ก็ได้แล้วก็บางช่วงก็เป็นช่วงที่อาจจะไม่ได้คุยกันก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติร่วมกันนะอันนี้มันก็จะเปนต้นกันแนะนํารแย่อยู่ธ์ไ